บ o ๊กทูหนึ่งร้อยสตอคำวิเศษแอ v e r b ร์เคยยังไม่เคย j e enkrat ต e จกไดเ e nikoli คุณเคยไปเบอร์ลินหรื อ, อยัง a ลิสเต c h bin nicht da in Berlin. ไม่ยังไม่เคยเลยครับเน ich n ค c o l i ใครไม่มีใครเนกโดน i c เชคุณรู้จักใครที่นี่ไหมครับ ค o ณนไม่ผมไม่รู้จักใครที่นี่ครับนทุขนพนน้ำนิโอีกนิดอีกไม่นานชวคุณยังอยู่ที่นี่อีกนานไหม บออตชดโอูคไม่ผมอยู่ที่นี่อีกไม่นานครับน น, นบอมอตวจดโอกคอะไรอีกไม่อีกแล้วชนิคายนวคุณอยากดื่มอะไรอีกไหม ไม่ผมไม่อยากดื่มอะไรอีกแล้วครับเนวอะไรบ้างแล้วยังไม่เลยจีชคุณทานอะไรมาบ้างแล้วใช่ไหม พาลิสเ e ร e k a ไ POJEDLI? ม่ผมยังไม่ได้ทานอะไรมาเลยครับเนนิชเชนิสมพอยด์ e ดวมีใครอีกไม่มีใครอีกแล้วชัชเวมีใครอยากรับกาแฟอีกไหม